อัศจรรย์นเนี่ยนะครับแบ่งเป็นสองอย่างสองกลุ่มง่ายๆกลุ่มกลุ่มแบบอัศจรรย์เพื่อจะชมกับอัศจรรย์เพื่อจะติโอ้มันน่าอัศจรรย์มากๆเลยนะทําไมทําได้ยังไงบางทีก็หมายว่าด่านะั่นะนะนะนะนะบางความหมายเช่นคําว่าตําหนิอย่างเช่นความหมายโอ้ไม่น่าเป็นไปได้เลยเดี่ยนะอันนี้ก็อัศจรรย์แบบเนี้ยตําหนิก็มีหรืออัศจรรย์แบบชมก็มีนั้นก็ สังเกตให้ดีนะศึกษาธรรมะเขาก็มีนัยยะอะไรซิกแซกอยู่เหมือนกั น, นใช่มาทบทวนนะว่าอาภิชากับโทมานัทเนี่ยก็ต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องบริหารเอาไว้อย่างดีทีนี้โพชเนมตันยุตาล่ะโภชนะตัวนี้มันแทนคำว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นะยกโภชนะเป็นตัวอย่างนะ โชนะตัวนี้ยกในฐานะเป็นตัวอย่างเฉยๆก็คือปัจจัยสี่นั่นเองพระพุทธเจ้าบริโภคจีวรยาอ น, นะอาหารที่อยู่อาศัยโดยที่ไม่เป็นอกุศลเลยปัจเจกอย่างอย่างดีเนี่ยพิจารณาโดยรอบครอบส่วนชาคริยานุโยกก็คือการคือความตื่นตัวมากกว่าคือมันมีนะขอมารู้จักพระเ น, นรเนี่ย ไม่ค่อยหลับค่อยนอนหรอกขยันไม่ค่อยหลับจริงๆแต่ไม่ได้เจริญกุศลอะไรหรอกนั่นนถามว่าตื่น <S <S ไหมทําอะไรก๊อกก๊กแก๊กแก๊กดูทั้งคืนอ่ะเอาสิกลางวันก็ไม่ค่อยหลับกลางคืนก็ก๊อกก๊กแ๊กเดี๋ยวก็เป็นแอบเงียบหลับหน่อยว่าตื่นต่อไหมละ่ะแต่ว่าไม่เป็นกรรมฐานอะไรสักข้อเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตื่นแบบนั้นไม่สรรเสริญในที่นี้มันตื่นในที่นี้ตื่นด้วยกรรมฐาน เงื่อนไขของชาคริยานุโยกหมายคําว่านิวรห้าไม่กลุ่มรุมอ่นนะนิวรห้าไม่กลุ่มรุมเขาเรียกว่าชําระจิตให้ปราศจากอาวารณียธรรมหมายคําว่าชําระจิตให้ปราศจากนิวรซึ่งอันนี้เรื่องใหญ่เลยใช่ไหมละกาเมฉันทะด้วยเนคขมะละพยาบาทด้วยอัพยาบาทละถีนมิท้าด้วยอโลกาสัญญาละวิจิกิจชาด้วยการกําหนดธรรมละ อารติด้วยปราโมทและอวิชชาด้วยยานเป็นต้นงนั้นก็ที่จะกำจัดไอ้นิวรได้ทั้งในอิริยาบทสนี้โอ้ไม่ง่ายเน่นะเสร็จแล้วมีศรัทธาศรัทธาก็พระรัตนตรยัยเาบอกว่าในบรรดาผู้ที่ศรัทธาในพระรัตนตรัยที่สุดเลยนะคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากที่สุดเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระธรรมมากที่สุด พระพุทธเจ้ายืนฟังธรรมทั้งคืนก็มีพระพุทธเจ้ายืนฟังธรรมทั้งคืนก็มีเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระธรรมมากนะแล้วก็เป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระสงฆ์มากอนุโมทนาในความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ยินดีในความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เป็นต้นนั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วเราก็มาไล่ดูว่าเรามีศรัทธาแค่ไหนอย่างนี้พระองค์หิริอายชั่วกลัวบาพระองค์มีโอดตะปะพระองค์เป็นพหูสูตรหูสูตรประเภทปฏิเวท แตประหูสูตรแบบที่เรียกว่าพิจารณามาแล้วไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่พิจารณาอันนั้นแหละพระหูสูตรแบบพิจารณาแบบปฏิเวทพระองค์นี้เป็นผู้มีความเพียรในอิริยาบถสี่พระองค์นี้ก็มีสติระลึกได้หมดนะสติของพระองค์อยาว่าธรรมดาเลยเลยไปถึงระดับระลึกชาติเยว่าระลึกแค่ชาตินี้เลยสิ่งที่ทําคําที่พูดตัญญาแหละเหตุเกิดความดับของอุปาทานขันห้าทุกขันเนี่ยพระองค์ พิจารณาหมดแล้วก็หาดูที่ว่าอะไรบ้างที่พระองค์เข้าฌานไม่ได้ในโลกนี้นะวัตถุใดที่พระองค์อาศัยสิ่งนั้นแล้วเข้าฌานต่อเลยไม่ได้โดยที่สุดเหลือบดูอากาศยังเข้าฌานได้เห็นแสงสว่างก็เข้าฌานได้เห็นดินก็เข้าฌานได้เห็นน้ำก็เข้าฌานได้เห็นลมเห็นไฟเห็นอะไรเข้าฌานได้หมดเห็นอาจารย์วินิจยังเข้าฌานได้เลย เข้าพรหมมิหารเป็นต้นเข้าได้หมดอะคือบางเรื่องเราจะเห็นชัดว่าอธิจิตสิกขาเราดีแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยพุทธานุสติเนี่ยช่วยเยอะเ่ยนะช่วยชำระเพราะว่าพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นมาตรฐานบุคคลใชเป็นบุคคลที่มาตรฐานที่สุดเนี่ยนะ แล้วก็พื้นฐานที่จะให้วิตกนึกไปเจริญสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นเหล่านั้ น, น, นดังที่กล่าวไปก็อยู่ที่การสมาทานทีนี้ในแง่ของอธิปัญญาสิกขาอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะกายานุปัสนาสติปทานทั้งสิบสี่บพะเนี่ยสมาทานประพฤติไหมสมาทานว่านะี่ยสิบสี่บพะอันที่จริงสิบสี่บพะนะ ถ้าคิดอีกวิธีหนึ่งง่ายมากก็คือตั้งแต่ปัจจุบันเห็นเห็นเนี่ยจนถึงกระดูกเป็นผงอะเนี่ยคือกายานุปัสสนาเช่นชีวิตที่ดำรงอยู่ก็ลมหายใจก่อนไนงะเห็นเลยลมหายใจทีนี้คนที่อยู่ลมหายใจก็ต้องอาศัยอริยบทอยู่อริยบทสี่เห็นอริยบทสี่แล้วไอ้ถามว่าไอ้ที่รวมให้เกิดอริยบทสี่มันก็มีความเป็นไปที่เรียกว่า สัมปชัญญะมีการมาการตายการเลีเ้ยวคู่เหยียบเป็นต้นเนี่ยนะก็สัมปชัญญะแล้วไอ้องค์ประกอบถ้าแยกย่อยออกมาก็คืออาการสาสองอนอาการ32นสองนั้นนะก็คือธาตุสี่ธาตุสี่เหล่านี้ถ้าสิ้นชีวิตตินสีตายก็เป็นซากศพระยะที่หนึ่งไล่ไปนจนถึงกระดูกแหลกเป็นผงน่นแล้วก็พิจารณาเป็นภายในบ้างพิจารณาเป็นภายนอกบ้าง เพราะฉะนั้นก็บอกว่าพูดอีกในหนึ่งนะมองเห็นใครปับ๊บนึกจนถึงกระดูกเป็นผงว่าลอยผงกระดูกที่ไหนเนาะนึกเลยว่าไปลอยกระดูกเด็ดเสร็จแล้วหรือว่ากระดูกของเราจะไปเรียราดอยู่ที่ไหนเนาอย่างเง้ยนะนึกภายในเมื่อไหร่ก็พิจารณาปับ๊บนึกเลยว่ากระดูกจะเรียราดที่ไหนเนอะอย่างเง้นะพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆ อ, อันนี้ตั้งสมาทานไว้เลยนะถ้าไม่สมาทานไว้ก็ยากที่จ ะ, จะเจริญแล้วอะไรนะเวทนานเนี่ยทั้งหมดมีเท่าไหรนะ่นี เวทนาสมหรือเวทนา9้เวทนาเหล่านี้มองเห็นหนึ่งวัตถุจะต้องรับอารมณ์ทุกอารมณ์ต้องพิจารณาเห็นเวทนาจากทุกอารมณ์แล้วพิจารณาเวทนาทั้งหมดโดยอนุปัสนาเจเป็นต้นเนี่ยนะยังมั่นคงเลยแล้วจิตเท่าไหร่เจิกเนี่ยนะก็มาพิจารณาจิตมีราคาจิตปราศจากราคาก็ดูได้จาก ตัววัตถุเนี่ยนะถ้าวัตถุเป็นอิทธารมจิตก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นราคาถ้าวัตถุไม่เป็นวัตถุที่ตั้งแห่งอิทธารมก็ปราศจากราคาก็ดูอีกครั้งว่าถ้าเป็นกุศลหรือไม่นผู้ที่วิเคราะห์เรื่องจิตเนี่ยนะซึ่งรายละเอียดเรื่องจิตก็เยอะนะไม่ไ ม, ไม่ไม่นกล่าวตรงนี้แต่ให้รู้ว่าทุกอารมณ์นี่อ่านให้เห็นจิตของเราเลยเช่นมีสีเป็นอารมณ์จิตกี่ดวงะนะ yes. no, no, no. <laughs> ไม่หรอ เท่าไรนะก็ของเราเนี่ยถ้ามีสีเป็นอารมณ์เนี่ยจิตเกิดได้กี่ดวงะไะ่เอากุศลสิบสองเป็นต้นเนี่ยนะทวิปัญจคือจักขูวิญญาณสองสัมปติชนะสองสันตินะสามเนี่ยนะแล้วอะไรปัญจทวาราวัชนะหนึ่งมโนทวาราวัชนะอีกหนึ่งอาศไม่มีใช่ไหมอาศัไม่มีมหากุศลแดมหาวิบากแดในฐานตะตาทา ก็เอามาวิเคราะห์ว่าแล้วควรจะเป็นกุศลหรืออกุศลเมื่อมีสีเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยก็มาทบทวนได้เลยแล้วถ้าเป็นอกุศลเป็นจิตกลุ่มไหนมีราคะหรือจิตปราศจากราคาเนี่ยนะก็วิเคราะห์แยกแยกอย่างเงี้ไปบ่อยๆถ้าเป็นธรรมะละ่ะคิดง่ายๆก็นิวรณ์กับโทษชงเมื่อมีเป็นอารมณ์และคิดยังไงเป็นนิวรณ์คิดยังไงเป็นโทษชง ก็สมาทานที่จะประพฤติเจริญเลยถ้าไม่ตั้งเอาไว้ก่อนอย่างดีในทีแรกไม่ตั้งอัตตาสมาปณิทีนะไม่รู้จิตมันจะน้อมไปนึกอะไรใช่ไหมจิตมันนึกอะไรดีเห็นแล้วก็ถ้าไม่สมาทานเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นขั้นเป็นตอนนะนั่งทําตาปรีป๊บๆอย่างเดียวสมมตินัน่งนังน่งรอใครสักคนที่รถอะไ น, นอย่างเงี้ยเจริญอะไรอ๋อถ้าไม่ตั้งเอาไว้เลยอย่างเงี้ยนะ ยากเหมือนกันนะเออจากนี้ไปหลับเนี่ยสมมุติว่าเออเนี่ยนอนอยู่ขึ้นที่หลับแล้วขึ้นที่นอนล้จากจากล้มตัวลงนอนกว่าจะหลับเนี่ยเรามีอยู่ด้วยกับมาฐานอะไระนะแล้วเจริญอ น, นั้นมันมีขั้นตอนยังไงมันเป็นสิกขาสามยังไงเราต้องอธิบายให้เราฟังเองได้นะไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังหรอกเราให้ตัวเองฟังมันดียังไงเนี่ยนะเพราะเราจะได้รู้ว่าที่เราเจริญเนี่ยเป็นกลม่มหานะภาคยะ เทติภาคยะหรือวิเศษภาคยะแล้วเราจะตรวจสอบเราได้ยังไงวันนี้เกือบเสื่อมแล้นะเนี่ยจะว่าเสื่อมก็น่าเก็ด <c oughs> เกือบเสื่อมแล้วนะเนี่ยนะดีนะชีวิตตินซีมันยังไม่ดับ <c oughs> ดับแ yeah ย่เ น, นี่ก็เลยเรียกว่าเกือบเสื่อมแล้วนะ <c oughs> แล้วนี้โอ้เจริญเมื่อไร่ได้อยู่เท่านี้เองเลอทำไมไม่พัฒนาสักทีหนึ่ง <c oughs> นะเมื่อไรจะโตกว่านี้สักทีหนึ่ง และที่เจริญเนี่ยโอ้เจริญนิดหน่อยเนี่ยเจริญมากขึ้นเจริญไอ้ทำไมเจริญไม่มากอย่างงี้ยนะก็จะได้ทบทวนใช่ไหมเราจะได้ไปสาวหาปัจจัยว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งความเสื่อมอะไรเป็นปัจจัยแห่งความนารงอยู่อะไรเป็นปัจจัยแห่งความพิเศษขึ้นเห็นไหมถ้าไม่มีปัญหาแบบนี้นะก็แล้วแต่บุญเก่ามันจะพาไปจริงๆ ไม่รู้เรื่องมาเป็นเพื่อโท น, นหน่อยคุณฟังไห ม, ม, มแปลว่าตั้งความปรารถนา ก, า ก, านาก็ก็จะว่าอันเดียวกันก็ไม่ผิดอะไรนนก็คือการสมาทานที่จะประพฤติศีขานั้นนั้นนั่นเองอนะตั้งใจที่จะประพฤติศีขานั้นๆ ทีนี้สิกขาสามเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อเมื่อตั้งไว้จนบริบูรณ์ดังกล่าวเนี่ยอยู่เพื่ออะไร น, นเพราะจริงๆอ่ะนะถ้าถ้ามองเห็นปร๊บเนี่ยการประพฤติสมาทานเนี่ยคือการเจริญมัก8ใช่อธิศีและสิกขาคือวาจากรมมตะนั่นนะอาชีวะ อธิจิตตศิกษาก็คือสติวิรยิยะสมาธิอธิปัญญาศิกษาก็คือปัญญากับวิตกอันนี้ก็คือศิกขาสามศิกษาสามเหล่านี้ถ้าประชมเรียกว่าอริยมรรคถ้าประชมเมื่อไหร่จึงจะเรียกว่าอริยมรรคเั้นทุกอย่างก็จเจริญมีเป้าหมายเพื่ออริยมรรคอันนี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรม อันนี้เรียกว่าสมควรแก่ธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมเนี่ยนะปฏิบัติธรรมคือกุศลเหล่านี้เพื่อให้สมควรแก่โลกุตระธรรมเมื่อไรนอจากสมควรอันนนคือถ้าอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าถ้าเราศึกษาเข้าใจนะตรวจสอบตัวเองได้ไหมตามวิชาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะ ตรวจสอบตัวเองได้หมดเลยจริงๆว่าช่วงนี้กําลังไปถึงไหน ท, ทําท่าแนวโน้มจะไปยังไงนะเหมือนเครื่องวัดความดันเลยตอนนี้ความดันเท่าไหร่อย่งเงนะตรวจสอบได้หมดเลยคุณบัญชงงูสภาพจิตคิดหนึ่งอย่างมาตรวจได้เลยว่าเกือบถึงไหนแล้วยังเงนะตรวจได้หมดนะแต่สำคัญ ว, ว่าวิชาการแม่นแค่ไหนนะสุตตะมยาญาณเราดีแค่ไหนนั่นเองซึ่งมรแปดก็คือศิกขาสาใช่ไหม แต่ถ้ามาไล่ยแยกๆเป็นอันๆเนี่ยนะแยกเป็นอันๆก็จะตามสูตรที่ที่กล่าวไปแยกเป็นอันๆก็คือถ้าเป็นสัมมาวาจาก็คือเว้นวจีทุจริตสประพฤ ต, ir, สตรริสูตวจีสุจริตสประการก็คือตรงกันข้ามกับวจีทุจริตเพราะว่าศีลตรงนี้เนี่ยท่านบอกว่า องทำได้แก่เจตนากับวิรติน่นะเจตนากับวิรติถ้าเจตนาก็เจตนาที่จะเวน้นกับเจตนาที่ตั้งใจที่จะพูดให้เป็นว่าจีสุดจริตเพราะเจตนามีสองพวกใช่เจตนาเว้นกับเว้นเรียกว่าวาริตใช่กับเจตนาปฏิบัติเรียกว่าจาริดเพราะฉะนั้นต้องทั้งเว้นด้วยทั้งพูดยังไงพูดให้เป็น วาจาสุภาษิตนะนะในมงคลนะนะพูดยังไงให้เป็นให้เป็นสุภาษิตถ้าเป็นกรรมตตะละ่ะเวน้นทุจริตที่เป็นกายะทุจริต3ประพฤติกายะสุดจริต3อาชีพก็เว้นจากากายวาจีทุจริตเจประพฤติกายวาจีสุดจริตเเนี่ยนะอันนี้เป็นอาชีพส่วนสติละ่ะ สติปัฐาน4วิริยะก็คือสัมมัตปทาน4สมาธิคือฌาน4ปัญญาคืออริยสัจสี่เนี่ยนะกุศลวิตก3ามอันนะเนคข ม, มะวิตตกเป็นต้นเจริญอย่างเงี้ยจนกว่าอริยมรรคจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ย ถามว่าภารกิจที่เราจะต้องเจริญนะงานของตัวเองเนี่ยทําไปถึงไหนแล้วเพราะงั้นเพราะเพราะอันนี้เครียกว่ากิจของตนใช่ไหมชื่อว่าทํากิจของตนผู้การสาธยาได้ละสูตรนี่อันเนี้คือกิจของตนละนะมาไล่ดูว่าเราเนี่ยงานของเราค้างคาแค่ไหนนะ <laughs> หรือตกงานอยู่ <laughs> <laughs> งานค้างหรือว่าตกงาน ก็ก็อันนี enfin ้แหละต้องต้องมาสมาทานบ่อยๆนะถ้าไม่สมาทานนะอยากคิดนะว่าจะเจริญถ้าถ้าไม่สมาทานไม่อธิษฐานไม่มุ่งไม่ตั้งใจเป็นต้นเนี่ยโอ้ยแต่ก็มีอยู่สูตรหนึ่งนะศรัทธาในสันเลกรสูตรก็บอกว่าแค่จิตตุบาทก็ยังมีผลมากนะคือขอให้มีความตั้งใจที่จะเจริญเธอก็มีผลมากจะกล่าวปรยายถึงจัดแจงด้วยกายและวาจาเล่า อ่า น, นะแค่ตั้งความปรารถนาที่จะเจริญนั้นก็ได้บุญมากแล้วยังเจริญไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเธอเคยเห็นเขาปรารถนาเป็นภาษาริบุตรไหมในอดีตถามว่าท่านตั้งความปรารถนาแล้วท่านเป็นเลยทันทีไหมไม่เป็นท่านรอได้ตั้งเกียร์สองไข่ล่ะหนึ่งอสงไข่แสนกับผ้านนท่านอยากเป็นผ้าโ น, นนมาหนึ่งแสนกลับถ้าเกิเราก็ตั้งไว้เราจะเอาเท่าไหร่ล่ะโลกุตระของเรานี่เมื่อไหร่ศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ไหน องนี้หรือองค์หน้าก็ว่าไปเนี่ยนะถ้าปรารถนาองค์นี้ก็ชีวิตของเราเหลือกี่ปีอ่ น, นะกี่ปีนะคุณเวลามันอ น, นะถ้าเอาองค์นี้นะสมมติว่ามรรคเนี่ยต้องเราขอเป็นสาวกพระพุทธเจ้าองนี้แหละแปลว่าขอบรรลุในพระพุทธเจ้าองนี้ก็มาดูว่าชีวิตของเราสมมติเหลือสามสิบปีเอาคนพูดเป็นมาตรฐาน ไม่แน่นะอาจจาะสัน้นนั้นก็ได้คุณน้อพัเท่าไหร่นะออยี่สิบนะยี่สิบก็เท่าแม่เอาท่าแม่ก็แปดสิบนะพอดีใช้กมาแม่พอดีน ะ, ะจะไปกดเกณฑ์ให้ใครเลยะนะก็ดูว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยพอไหมล่ะแล้วถามว่าสมมตินนะถ้าเราเหลือสิบปี 10ปีนี่เราเวมีเวลาเจริญตัวนี้เอาเป็นจริงเป็นจังวันนะสมมติว่า10ปีนี่กี่วัน 3,650 วันแล้วใน 3,650 วันเนี่ยวันคูณ24ชั่วโมงเท่าไหร่แล้วว่าจริงๆเลยนะเราเจริญได้วันละกี่ชั่วโมงอ่ะเจริญให้ต่อเนื่องกันหน่อยนะ จิตเป็นกุศลได้ทั้งสามชั่วโมงไม่วันหนึ่งเกินนะฟังธรรมก็ได้แล้วชั่วโมงหนึ่ง อ, ะ, อะไรอกีกเจริญกรรมฐานฟังเทพอ่านพระไตรปิฎกอาวันสมมติวันละห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี่ยคูณสามรอหกสิบห้าก็สามรอสามพันหกรอยห้าสิบก็ดูยอดเฉลี่ยว่าเพียงพอไม่ล่ะที่จะกำจัดทุจริตได้บรรลุแน่โสดาบันอย่างเงี้าาตายแล้วกรรมเกิดใหมยย่ยงทัน ไอ้ทันนี้ทันอะไรทันมีเจดีให้ไหว้อยู่แต่จะไหวหรือเปล่าอีกเรื่องนะก็ดูว่าแต่ละวันนี่ไปไหว้เท่าไหร่ด้วยนะก็ต้องดูแนวโน้มด้วยนี่เองนายหนึ่งนะทีนี้มองแบบชาตินี้นะแต่ว่าเรลุหรือไม่เรลุเอาชาติสมณะขอเป็นพระพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าศรีอานโอ้โหปรารถนาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าศรีอานนะตอนนี้มนุษย์เกณฑ์เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ โดยเฉลี่ยประมาณเจ็ดสิบห้าเกณฑ์เขาถือว่าร้อยปีลดปีร้อยปีลดปีร้อยปีลดปีเนี่ยนะจนถึงประมาณสิบปีตายถามว่าอีกระยะเท่าไหร่กว่าจะมาถึงเนี่ยนะลดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงเหลือประมาณสิบปีแล้วเพิ่มอย่างเงี้ยนะเพิ่มไปจนถึงเลขหนึ่งตั้งเลขศูนย์ ร้อยสี่สิบตัวกันแล้วกันนะร้อยสี่สิบตัวแล้วลดมาเรื่อยๆจนเหลือแปดหมื่นปีเนี่ยนะช่วงนั้นน่ะแป๊ะเลยภาษีอานจะมานนะแล้วถามว่าสำนักอยู่กินยังไงกันอันเนี้ย อยู่กินอะไรแล้วแล้วคิดหรือว่าเนี่ยแป้ระหว่างช่วงนี้นะมนุษย์พอดีด้วยเอ่ะมนุษย์นี่ต้องอินเดียด้วอย่างเงี้ยไหมนุษย์ต้องที่อินเดียหรือเป็นเทวดาดีถ้าเป็นเทวดานะว่านะสมมุติว่าสวรรค์เขาจะมีหกชั้นใชไหขึ้นลงอย่างเงี้ยเป็นรอบเลยขึ้นลงแบบวนอยู่อย่างเงี้ยไห เป็นรอบๆเลยจึงจับทันพระศรีอารมาพอดีโอ้นานมากเรื่องยาวนั้นก็ดูเอากันแล้วกันว่าตกลงจะทำยังไงอะไรตายเกิดไม่ใช่แต่ว่าตายแบบไหนไเกิดแบบไหนเในกำเนิดสามอ่ขอไในกาเนิดสี่คติห้าเนี่ยนะเลือกเอากันแล้วกันก็ดูเอาแล้วกันว่ า, วาควรจะทำยังไงอ เอาผู้การก็ได้ในฐานะผู้มีประสบการณ์มากเล่าให้ฟังหน่อย่าควรจะทำยังไงเมื่อเมื่อมันเป็นอย่างี้าถูกเลยแล้วก็ทดยกันแล้วมีคนตรวจสอบได้แน่ๆเลยทางนั้นไม่ได้ไม่มีคนตรวจสอบยากแค่ให้มาฟังทำทุกวันทุกวันยังยากเลยจะกล่าวไปใหญถึงว่าเอากลมกลมมาเลยนั่งฟังทำวันละชั่วโมงกว่าๆยังยากเลยโอ้ผู้การฟังคำผู้การ โตไผ่โตไผ่เขาบองั้นงงมันต้อจะช่วยตรงไหนนะระบบวัฏตะมันเป็นอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจเอานาะเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนควรแท้ที่จะทาความเพียรเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ผู้อื่นควรแท้ที่จะบาเพ็ญเพียรนะเนีเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายควรแท้ที่จะบาเพ็ญเพียรด้วยความไม่ประมาทมันถ้าไม่เจริญเลยนะถ้าไม่ตั้งอัตตะสัมมาปณิทิไม่ตั้งความปรารถนาะไม่ตั้งใจจริงนี่ก็ แต่ถ้าจะว่าอย่างนี้ของมาว่าไม่เยอะอะไรไ ม, ไม่ไม่เยอะอะไรซึ่งเราสามารถเจริญได้แต่ที่เจริญไม่ได้เพราะเราไม่มีศรัท ธ, ธาศา ส, สนาพุทธ เ, เจ้าองค์นี้มีห้าพันปีใเข้ามาครึ่งแล้วอะไรขึ้นอืมใช่เลของพัน ก, กว่าปีก็คิดดูนะแล้วก็อะไรนะก็คิดดูสมมติว่าคนมีอายุห้าพันปีนะพูดอะไรหนึ่งช่วงหนึ่งถึงสองพันห้าใช่ถือว่าขาขึ้น ขาขึ้นหลังางานเนี้ยขาลงอย่างเดียวมันมีแต่แผ่วไปด้วยแผ่วไปด้วยจริงๆอนะมันมันต้องเป็นอย่างนี้กราฟมันต้องเป็นแบบนี้ทุกคนมันลดมาอย่างนี้นะอันนี้ห้าพันนะเอยช่วงอะไรนะช่วงพศหนึ่งมาตอนนี้ช่วงพศห้าพันมันจะดิ่งเนี้ยถ้าช่วงนี้ดิ่งมาถึงแถวนี้ละพอจะดิ่งลดไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆถ้าเป็นอะไรนะถ้าพูดแบบ ทิทยาศาสตร์ก็บอกถ้าของตกจากที่สูงมันจะเพิ่มอะไ ร, เ, รเพิ่มความเร็วมากขึ้นไหมอันนี้จะเร็วเร็วขึ้นสำหรับผมนะผมผมคิดอยู่ว่าไอ้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยยังไงไงก็รักษาตัวยาให้มันไปในอบายภูมิตก่อนอันนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทิ้ง ไม่ได้เทิ้งจิตสิกขาและปัญญาสิกขาก็พยายามที่ว่าจะทำยังไงจะให้รักษาศีลให้ให้รอดพ้นไปจากตรงนี้เสร็จแล้วก็ไ ป, ไปไปว่าอีกทีหนึง่งเพราะว่าเพราะว่ายังไงในสุขติภูมิก็มีที่ศึกษามีผู้รู้อยู่บ้างถ้าปลบาลนะผลปล า, ายบาลในเรื่องยาวเลยยาวมากทีนี้ อ, อนนะีไ้ไนึกคิดถึงแล้วภาษีอานอะไร <c oughs> <c oughs> เราคิดได้เลยเราคิดได้จริงใช่อะไรนะเหมือนกับว่านะสมัครเข้าสอบก็ยังสอบตกเลยนะไม่ต้องพูดตําแหน่งอะไรสักอย่างเลยนะ <laughs> <laughs> เหมือนลงสอสอไงใช่ไหมสอบก็ยังไม่ติดเลยนะสอบตกอยู่แล้วนะแล้วจะไปเลือกขอตําแหน่งรัฐมนตรีอะไรสักอย่างได้ไม่ได้อยู่แล้วก็ดูเอากัแล้วกันนะนะประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งนะ่ <laughs> หมายว่าะว่างานกองงานอยากกับอยากเรืศีเน ouais yeah Re ี่ยนะเชิญถ้ามีศรัทธานียขอมาเชื่อเลยว่าถ้ามีศรัทธาเนี่ยทําไมจะทําไม่ได้เขาทําเรื่องอื่นเขาก็ทํากันเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นเราแต่ทีนี้ว่าศรัทธากับปัญญาพระองค์สอนให้มันเสมอๆกันนะนะแต่ว่าชั้นแรกศรัทธาก่อนละถ้ามีศรัทธาจริงที่เหลือก็มาดูปัญญาเนี่ยนะของเราถึงหรือยังพระภิกษุณีสมัยพุทธกาลเนี่ยนะ 25้าปีเลยจิตเป็นอกุศลอยู่25้าปีเนี่ยไม่เคยสงบเลยนะปีที่ยี่สิ้ายี่หกจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะจนร้องไห้เลยอะศึกก็ไม่ได้อ่าพระภิสูจน์บางรูปในยี่ปีเนี่ยฟุ้งซ่านมาตลอดนะแต่ว่าไม่เลิกอะเสียเี้ยอยู่อย่างงี้ยยี่้าปีเจริญอยู่25ปีไม่เคยสงบเลยนนะป 25, 26, เป็นเป็ น, นนะจนริงเป็นยังอยู่ยี่้าปีสึกก็ไม่ได้ จะบวชต่อกุศลก็ไม่จเจริญบางองค์ขึ้นไปจะไปฆ่าตัวตายแต่ว่าพูดแบบคนมีกรรมฐานหน่อยใช่ไหก่อนจะตายก็ต้องรักคิดถึงศีลก่อน <c oughs> คิดถึงศีลคิดไปเรื่อยเรืยรืยล้เกิดปีติโสมนัสบรรลุปเป็นผ้ารหันเลยเล ย, เลยไม่ตายเลยกันไหมแต่ตอนหลังก็ตายอยู่ดีแน่ๆ แ, แต่ตายแบบปรินิพานน่ะนะของเราก็ยังมีถึงยี่สิบหปีหรือ ย, อยังเนี่ยนะ ยังเลยเนาะถ้ายังก็ก็ลองให้มันเหมือนท่านดูเถอะพระมหาศิวะทรงพระไตรปิฎกตั้งสาสิบปีนะเจริญอยู่สามสิบปีทรงพระไตรปิฎกด้ว ย, ยนะของเราก็ยังต่เอาแต่พระพาหยะเป็นตัวอย่างยางเดียวอนะ่ะเอานางวิสาขาเป็นตัวอย่างงั้นง่ายสบายรวดเร็วคล่องอะไรไม่น่าก็แต่ว่ายุคนี้มันยุคกดปุ่มจริงๆ คุณมันมีเขาไม่เข้าใจเลยเหรออ๋ออ๋อคุณมเคยเห็นมัเนี่ยอพวกพิเศษพิเอะไรพิเศษก็พอพิเรศไม่มีหรอก็เพราะตัวนี้พูดเรื่องนิเพทะอยู่แล้วสภาวของเขาเป็นกลุ่มนิเภาิอะไรนะทไมไม่รวมนิพทะภาิเข้าไปอยก็เพราะตัวนีู้เรื่องนเพทะอยู่แล้วสภาวะของเขาเป็นกลุ่มนิเพทะภารยะอยู่แล้ว เพราะเป็นการเจริญเพื่อแทงตลอดเนี่ยนะเป็นกลุ่มนิเพทภาเียภาคยะโดยสภาวะแต่ทีนี้นิเพธแบบดูทำท่าจะเสื่อมหรือกําลังนารงอยู่หรือแนวโน้มที่จะเสียหายแต่ว่าสิ่งนี้จริงๆนะถ้าถ้าเราเจริญกรรมมัสกาดีๆจริงจริงนะสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์ของเราจริงๆเลยนะชีวิตในวัตฏะเนี่ยถ้าเราไม่เจริญอย่างนี้นะถ้าเราไม่อบรมศิก ข, ขาของพระพุทธเจ้าเราไม่สามารถอยู่โดดๆได้เราต้องมีสิก ข, ขาของ แต่ไม่รู้ของใครแล้วอันนี้ถ้าเราไม่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคนะพูดแบบนี้นอีกนายหนึ่งบอกว่าอยู่ในโลกโดยปราศจากาศาสนาได้ไหมไจริงจริงนะพวกบริโภค ก, กรารมก็คือกลุ่มอีกาศาสนาหนึ่งเหมือนกันนะกลุ่มลัทธิอีกลัทธิหนึ่งลัทธินั่นแหละก็คือาศาสนาไม่ตกไปในทิฐิใดก็ทิฐิหนึ่งทีนี้ถ้าเราเอาของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้าเราไม่เอาของพระพุทธเจ้าเราเอาของใครมา ก็ดูว่าในหัวใจของเรามีาศาสดาไหนในใจล่ะก็วัดได้เลยนะตรวจสอบได้เลยถ้าประกอบธุรกิจก็นักธุรกิจที่สุดยอดจะไม่เป็นาศาสดาของเราเป็นต้นเลยนะก็ยังไงก็ต้องมีาศาสดานั่นแหละแต่ทีนี้ว่าในาศาสดาเหล่านั้นเนี่ยมีาศาสดาไหนไหมที่เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทนทุกข์เนี่ยนะซึ่ง เป็นวิชาที nicht, mind, anything, ่เราว่าไม่ม well ีในกรำมืออาจารย์ยิงตู้เนี่ยคุณตุเจีนไม่ทราบมีใครยืมไปสักเท่าไหร่ไม่ทราบอ๋อยืมเยอะเหมือนกันนะใครยังช่วยหน่อนะเผื่อจะได้บุญบ้างไม่ยืมเลยนี่ก็น่าหนักใจบ้างๆาเลยนะก็ไปเจริญเนี่ยนะพยายามสําคัญที่สุดนะเบื้องแรกอยากให้สมาทานก่อนสมาทานว่าจะต้องทําความเข้าใจในอริยสัจให้ละเอียดละอ่อมสมมตินะถ้าเราเรียนสัมมาทิฏฐินะ จะต้องทำความเข้าใจในกรรมมศกตาให้ดีจะต้องเจริญวิปัสนาปัญญาให้ได้จะต้องเห็นอริยสัจให้ได้อริยสัจเขาเห็นอย่างไรเนี่ยนะก็ค่อยๆตั้งคำถามต่อไปทำความเข้าใจจนกว่าจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งทีนี้ถ้าเป็นสัมมาสังกปะเรานึกยังไงเป็นเนคขมัสสังกปร์เป็นอัพยาปาท่าเป็นอวิหิงสาสังกปร์นึกอย่างไรเป็นสัมมาทนึกอย่างไรเป็นวิปัสนานึกอย่างไรเป็นศีรนึกอย่างไรเป็นสมาธินึกอย่างไรเป็น วิปัสสนาแล้วก็มาศึกษาวิธีเขาคิดดูว่าเขาคิดอะไรกันเนี่ยน ะ, นะทีนี้ถ้าคิดไม่ได้จริงๆก็ไปดูว่าพระอรหันต์ทั้งหลายก่อนท่านเป็นพระอรหันต์ท่านคิดอะไรกันก็ไปอ่านเทระคาถาเทรีคาถาไปดูว่าก่อนที่ท่านบรรลุท่านคิดอะไรท่านคิดยังไงทีนี้ไปดูว่าพระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลทั้งหลายบรรลุอ่ะพระองค์สอนว่าอย่างไรเนี่ยนะแล้วก็อ่านพระสูตรสรุปว่าศึกษาต่อไปหมดเวลาแล้ว